ถ้าหากว่าเราไม่ก็คําสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นน่ะที่ที่เกิดที่เกิดของความทุกข์จริงๆน่ะหมายถึงจิตใจของเราที่ไม่รู้ความจริงเท่านั้นเองไม่รู้ความจริงเราจรึงวนเวียนคุ้นคิดนึกกลงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นเหตุทาให้ตัวเองเป็นทุกข์ ด้วยความไม่รู้อันนี้ก็มักจะนึกว่าเป็นเรื่องข้างนอกหมดเลยเป็นเพราะฝนนั้นคนนี้เป็นเพราะดินฟ้าอากาศเป็นเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะคนนั้นคนนี้พ่อค้าวานิชโกงจินกันมันจะไปอย่างนี้หมดแต่ว่าตัวจิตของตัวเองที่กําลังวิ่งออกไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างตำหานนั้นน่ะเราไม่ทําตรงนี้เลย นี่คืออำนาจของความหลงอำนาจของอวิชชาโดยแท้เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วรู้ความจริงแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระงองค์ถ้าดำเนินจากพุทธคยาจากต้นศีลมหาโกแล้วมาประกาศธรรมที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริง ความจริงที่สามารถทําให้ดับทุกข์ภายในพระไทยของพระองค์ได้เมื่อพระองค์ประกาศธรรมะเป็นครั้งแรกซึ่งเรียกว่าธรรมจา ก, กประวัติปณสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยกรงล้อแห่งธรรมหรือการหมุนไปของธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะยักยักได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วก็เสด็จพระดําเนินี่ยมา แล้วก็ผ่านคนนั้นคนนี้บ้างก็มีอุปปัชชิวะกบชีวบกอุปปัชชีวบนรือะไรนี่แหละนะชื่อนี้จำก็ได้อุปปัชชีวบผ่านม า, าเขาก็มองดูพระ อ, องค์แล้วก็บอกว่าเออท่านเนี่ยผิวพรรณของายเหลือเกินใครนะเป็นศาสดา ข, ของท่านพระพุทธเจ้าก็พูดความจริงว่าเราไม่มีาศาสดาดอกเราเนี่ยเป็นศาสดา ข, ของตัวเองเราจะสรุ้เอง มุกคนนั้นเขาโกหกเราฉอดใจเออแล้วก็เแยกทางต่างปแล้วพระองค์ก็ดําเนินมาที่นี่ใช้เวลาสองเดือนมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็วันอาสารหบูชาตอนแรกปันเจรคีก็ไม่ต้อนรับล่ะเพราะว่าตัญเจรคีนันเบื่อหน่ายพระองค์ละตัดสินใจถอยห่างออกมาแล้วเพราะว่าเห็นว่าพระองค์เนี่ยทีแรกเนี่ยเข่งทัพมาก บำเพ็ญทุกกะละริยาอย่างหนักทรมานตนตลอดเท่งงวดขวดขันทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งปัญเจรคีทั้งมีความมั่นใจเพราะในสมัยนั้นนะ่ะเขานิยมการทรมานตนการเท่งงวดขวดขันตน <c oughs> ในสมัยนี้การปฏิบัติธรรมก็มีเหมือนกันในลักษณะว่าเท่ ง, งวดกวดขันเท่งทัดมีการเอาจริงเอาจังเดินช้าช้าหรือว่ายังไงก็ตามออกมาในรูปแบบ ที่มันเท่งทัดก็ยังมีอยู่ซึ่งบางคนก็ชื่นชมชื่นชอบว่าอันนั้นละ่ะมันเท่งทัดดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันต้องจิตต้องเป็นทางกลางไม่เกี่ยวกับรูปแบบไม่เกี่ยวกับว่าเท่งหรือไม่เท่งแต่เกี่ยวกับว่าจิตเนี่ยมันเป็นกลางไหมมันแปลว่เาเรื่องข้างนอกเข้ามากุ้มลุงจิตใจให้ลงยินดียินร้ยยยายไห หรือว่ามันเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอดีกับการที่ไม่มีความทุกข์พอดีกับการที่เรื่องราวต่างๆไม้กลับไปพอดีกับการที่เห็นความจรงิงรู้ความจรงิงเพื่อปล่อยวางสภพาพคำตามความเป็นจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติจริงๆนี้ก็คือเป้าหมายอยู่ที่จิตของแต่ละคนจิตของตัวเองเพื่อให้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองส ก, ก่อน ควาเนียนพระองค์มาเสด็จมาทีแรกปัญจวัคคีย์ไม่ยินตอนรับก็ตกลงกันว่าเออเราไม่ต้องรับละเพราะว่าทายความเพียรไปหมดแล้วถ้าจะบรรลุก็คงบรรลุแล้วเนี่ยเนยสู้ไม่ไหวแล้วก็คงจะนึกถึงพวกเราอะคงอยากให้พวกเรานี่ไปรับใช้เหมือนเดิมละมั้งงั้นเราก็จะวางอาสนะเอาไวา้ถ้าอยากนั่งตรงไหนก็ให้ท่านนั่งเราจะไม่ลุกไปตอนรับขับสู้อะไรทางนั้นเหมือนอย่างที่เคยทํามา คุจ้กาก็เสด็จมาพอเสด็จเข้ามาตักอานุภาพของพระบูธเจ้าทําให้ปัญจวคีย์เรข้อจกลงหมดเลยทุกคนก็นลุกขึ้นมาทำหน้าที่เองตัวเองคนนั้นกระปูอานะุษณะคนนั่นกระลับเข้ารับท้องอล้างเท้าอัญเชิญพระองค์เสด็จประทับลงไปแต่ว่าคําพูดก็ยังแข็งกระด้างอยู่เบีเหมือนกับว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อถือตีดต่อไป พระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะพูดเพื่อให้ปัญจวัคคีทั้งห้าเชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์มีตรัสรู้แล้วปัญจวัคคีก็ยังเยืนอยันมาถ้าพระองค์จะตรัสรู้นะพระองค์ตรัสรู้นั่นละขนาดขึงนขับขนาดนั้นก็ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วตอนธรรมธรรมอะไรง่ายๆทําทสบายๆอย่างเนี้มาายสมบูชิตาหารออแล้วก็มาอยู่อย่างสบายนั่งสมาธิภาวนา ให้มันสุขใหมันสบายอยูน่นี้แล้วมันจะบรรลุธรรมได้อย่างไรเนี่ยเขาก็คืออาใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยเข้าไปตัดสินเข้าไปมองดูเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดอีกว่าเรานี่แหละตัดสินเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหมดสิ้นอาชาวกิเลสแล้วเราจะตตัดสินชอบได้โดยพระองค์เองอย่างแท้จริงเราเคยพูดอย่างนี้ไหมเคยได้ยินมาพูดอย่างนี้ไหมถ้าอาว่าเธอรับฟังเราเธอก็จะพบถามออกของจิตใจพ้นจากทุกได้เช่นเดียวกัน ปัเจ้าวักคีบอกไม่เคยได้ยินแล้วพระเจ้าก็เลยเริ่มสอนบอกว่านี่นะทางสองทางที่มันไม่ควรเดินเนี่ยพระองค์ก็เลิกอย่างเงี้ยหมายก็ว่าไม่สมัยนั้นน่ะมันก็จะมีหรอกว่าทางหนึ่งก็คิดว่าเออต้องเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเสรจสมบความสักให้เต็มที่เนี่ยพอ ต, ตายไปแล้วมันไม่ได้อะไรทํ า, ทาก็เชื่อยอย่างนั้นก็พยายามที่จะบํารุงบําเริคนเปิดความสุกดิ์พระองค์เองก็เหมือนกันเนี่ยก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกมา อฏิบัติธรรมมาศึกษามาแสวงหาโมฆะธรรมเนี่ยพระองค์ก็เสวยการมาสุขอย่างเ็นที่บริบูรณ์สมบูรพื่อนก็เห็นโทษแล้วว่ามันมันมันไม่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์พระองค์ก็เลยบอกว่านี่อันเนี้ยโปรกรมมาสุขเนี่ยมันทําให้จิตใจไป็ยึดไปติดไปคล้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะงสามไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแล้วเราเหมือนเหมือนเหมือนตำรวจดูก็ได้ว่าเราเนี่ยมีไหมที่มันมันพอใจอยู่ในความสุขมันติดอยู่ในความสุข อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งทําให้เราต้องวนเวียนอยู่แต่ถ้าหาว่าจิตเรารู้ทางนะมันไม่ใช่ว่ามีไม่ได้มีได้เลยมีได้เลยแต่ว่าเรามายมึดใน่จิตไม่้องต่างกันนะอันหนึ่งเนี่ยมีจิตใจที่มันยึดมันติดมันคล้องมันถูกพังอยู่อ่ะมันวนเวียนอยู่แต่เรื่องเหล่านั้นอ่าแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยเออก็รู้เข้าใจมันดีแล้วแล้วก็ใช้สอยไปอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ก็ทาําไปเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ก็เราไม่ยดึดในจิตไม่คล่องอีกระทางสายหนึ่งก็คือการการทรมานตนในสมัยนั้นจะเห็นว่านิยมกันก็คือว่าทรมานร่างกายมากาคิดว่าเออบททรมานร่างกายแล้วมันจะหมดกิเลสได้มันจะพ้นทุกข์ได้หมดความรุ่มหลงได้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปังหาไม่อยู่ที่ร่างกายความโง่ความหลงความยึดติตความคล่องมันอยู่ที่จิตเนี่ย เพราะนั้นมันจะไปทรมานกาอย่างเดียวไม่ไหวไม่ได้เพราะองค์ก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการบางังคับมันยังมีอัตมามีตัวตนแล้วก็บงังคับเอาภายในจิตก็เหมือนกันบังคับให้มันสงบอยู่อย่างนั้นแนว่วแน่อยู่างนั้นแต่มันไม่สามารถที่จะรู้ความจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรือจิตเนี่ยพออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พรไม่ได้ก็คืออยากบางังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ก็หลงยินร้ายขึ้นมา มันก็จะทําให้นําไปสู่ความยินดีหรือร้ายเพราะนั้นทางสายกลางของพระองค์เนี่ยก็คือพวกการมาสุขคาลิการุโยกไอ้ที่มันชื่นชอบในเรื่องของการติดข้องในเรื่องของกาบก็ไม่ไดับหลุดและ ก, กินเสียงซ้ำผัสแต่เราต้องอาศัยพวกนี้แต่อาศัยด้วยความมีสติปัญญาไม่ใช่อาศัยด้วยความยึดติดข้องแล้วก็การบังคับการทรามามตนอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทางออก ทางออกขององคคือทางสายกลางทางสายกลางแล้วจิตเป็นกลางกลางพอดีที่จะดับทุกได้แล้วองค์ก็พูดเรื่องอริยมรรคมรรคก็คือทางนั่นเองมรรคก็มีแปดอย่างอะไรทางสายกลางที่เรากําลังทํากันอยู่นี่แหละก็คืออริยมรรคนั่นแหละเริ่มด้วยความมีสติทีนี้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพื้นฐานทางจิตใจเนี่ยมีสมาธิอยู่แล้วมุ่งมั่นที่จะออกจากทุกอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เห็นทางเท่านั้นเอง จิตใจพร้อมจิตใจมุ่งมั่นบากบันเต็มทีนะ่อยากจะรู้ทางที่จะออกจากทุกอย่างแท้จริงเลยนะก็ตั้งออกตั้งใจฟังนะขณะที่ฟังนี่จิตก็จดจอ่อเข้ามานับเป็นสมาธิผูนะ้เจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมันจะต้องมีสติรักษาจิตนี่แหละคือคืออริยมรรคในองค์แปด ก, ก็จะมีสัมมาสติอยู่ในนั้นด้วยแต่อันนี้เราจะพูดเพือพ่อพูดเพื่อให้ ใหมันสอดคล้องากับการปฏิบัติของเราก็เป็นมาร์กเหมือนกันว่าทุกคนในทีน่นี้ขณะนี้ถ้าใครมีสติอยู่มีสติในการฟังก็ใช่ที่เราฟังไปด้วยจิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเราด้วยจิตเป็นกลางกลางด้วยรับฟังไปด้วยหรือรับฟังไปด้วยจิตขยับตามไปด้วยหรือว่ารับฟังแล้วจิตเข้าไปอยู่กับตัวเราเองอยู่กับตัวเองไม่ว่าจะอยู่ที่กายอยู่ที่จิตได้ทั้งนั้นเลยอยู่ยังไงก็ได้ของจิตที่มันอยู่กับตัวเรา อันนี้คือมีสติรักษาจิตเอาไว้แล้วก็คือตัวเป็นตัวสมาธิสมาธินี่มันมีทั้งสมาธิที่มันยังพักอยู่นี่เขาจึงเรียกว่าสมาฐากรรมฐานสมาธิที่มันพักอยู่นี้เขาว่ามันกำลังมันยังไม่พอมันต้องเพ่งอารมณ์มันต้องมีอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งเพื่อเพื่อให้จิตเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อให้จิตอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ให้ได้ ถ้ามันอยู่ไม่ได้จิตมันจะสัดใส่ออกไปมันจะไหลไปมันจะเคลื่ไปเดี๋ยวไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเรามาประเทศอินเดียเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเอาเรื่องแฉะเรื่องเอาห้องน้ําห้องส้วมเรื่องที่พักอาศัยเรื่องเมื่อคือนนี้หรือว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องข้าวของหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อนที่เราเห็นทางตาทางหงูจมูกลิ้นทางกายทางใจที่มันผ่านเข้ามาถึงจิตเราแล้วมันเก็บเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยถ้าหาว่าเราไม่มีสติ เราไม่สามารถควบคุมจิตให้มีให้มันให้ให้ให้จิตนมีกำลังหรือว่าสติมีกำลังจนจิตเป็นสมาธิแล้วมันอยู่ทรงตัวอยู่ตามลำพังได้มันก็จะไหลไปเพราะเราปล่อยก็มันไหลไปอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้แสดงกำลังเราไม่พอเพราะสมาธิตรงนี้ต้องการจิตต้องการเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้หรือทํำยังไงก็ได้ให้จิตเราอยู่สะกก่อนถ้าจิตยังไม่อยู่นี่ไม่สามารถที่จะเอามาเจรนาธรรมได้ ถึงพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้จิตอยู่ให้จิตสงบเท่านั้นมันไม่ใช่การเห็นด้วยจิตรู้เข้าใจด้วยตัวจิตเองมันจึงไม่ใช่เป็นปัญญายาณไม่ใช่วิปัสนาญาณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องสอนตรงนี้ด้วยหมายก็ว่าทางของพระองค์เนี่ยต้องบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าตัวสตินี่แหละสังขารแล้วสตินี้รักษาจิตรักษาจิตเมื่อจิตอยู่กับตัวเราได้ จิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาสมาธิก็อาจจะเป็นสมาะก่อนสมาสมาทานนี้มีกําลังเราทําต่อไปเพิ่มขึ้นเ <Saint. S 2> พิ่มขึ้นพยายามที่จะให้จิตเนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นถ้ามันมากขึ้นมันก็จะอะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้ ร, รู้อันนี้เรียวกว่ามีสติสัมปะชัญญะหมายว่ามันขยายความรู้ออกไปแล้วสติมีกําลังเพิ่มขึ้นแล้วจิตเนี่ยมันสามารถรู้กว้างขวางออกไปอีกแล้วนี่คือกําลังของจิตมันขยายออกไปอย่างนี้ ถ้าใหม่ single, อยู่มันแค่แค่แคแคต้องจออยู่กลางลมเยือกต้องจออยู่การลม เ, ย, เออยือกลไปล่อยไม่ได้ปล่อยเี๋ยวหลุดไปปล่อยเยือกหลุดไปเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเข้ามาเรื่องคนนี้เข้ามาจิตก็เลยกำลังไม่พอทําอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยก็ต้องจิตตรงนี้ซะก่อนปฏิบัติตนนี้ซะก่อนอย่าเพิ่งไปข้ามขั้นตอนเพราะจะไปข้ามจะเอาปัญญาปัญญาบางคนโอ้ไปศึกษาไปคนความมากมายเลยนะเพราะว่าอย่างมีปัญญาคนความมากมายคิดมากๆนี่ชิดกรเลยเปิดเติมจิตไม่อยู่ เห็นเขาเคยมาถามหลายองค์ทั้งภาพด้วยนะโยมด้วยแต่พอคุยนล้วโอ้โหจิต ม, มันไม่อยู่อ่ะคืออยากได้ปัญญาแต่ว่ากําลังนี้ไม่พอไม่รู้อยากเลยเพราะว่าทำสมาธิน้อยทำสมาธาน้อยกําลังเลยไม่มีพอจะออกพิจารณาปัญญามันก็เลยนี่นออกไปด้วยความคิดใช้ความคิดพิจนาเป็นพิจนาด้วยความสนุกมันก็ไม่ใช่พิจนาอยากรู้ ยิ่งอยากรู้ก็รู้กว้างออกไปแต่เป็นความรู้ในด้านปริยัตเป็นความเข้าใจใเฉยๆมันไม่มีความจริงรองรับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องรี่เอาสติคุ้มจิตได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกถ้าจะคิดก็คิดเพ่ให้มันอยู่ไม่เป็นไรหรอกี๋ยวจะเอาไปดูก็ได้ดูอะไรก็ได้เนี่ยถ้ามันมีกำลังขึ้นมามันก็จะดูเฉยๆได้มันดูนเฉยๆได้หมายว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามแค่ดูแค่รู้แค่เห็นแค่ แค่ดูอนี่เฉยเราเห็นอะไรก็ตามเหมือนกับจิตเราไม่เข้าไปร่วมเหมือนเราดูทีวีดูหนังดูละคร อ, อย่างเงี้ยเราเป็นผู้ดูถ้าจิตของใครเป็นผู้ดูเนี่ยแสดงว่าจิตเริ่มมีกําลังแล้วมันดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นดูรู้อย่างฟังอยู่นี้ก็สักแกนว่าฟังฟังเฉยๆฟังแล้วก็รับเอาเข้าไปเทำให้จิตของเรามันก็ตื่นขึ้นมามันก็อยู่กับตัวเราได้แต่อย่างนี้เรียกว่าจิตเริ่มมีกําลังแล้ว ถ้าจิตมีกำลังจริงๆเนี่ยมันต้องมั่นคงอยู่กับตัวของตัวเองเลยมั่นคงอยู่กับตัวขอตัวเองเลยตัวเองก็แน่วแน่อยู่ขั้งนอกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ด้วยรู้ด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยเนี่ยรับเป็นปัญญาจริงๆอะ่ะจิตไม่ได้เข้าไปร่วมแสดงไม่ได้เข้าไปร่วมดูไม่ได้ตามไปดูแต่ว่าจิตอยู่อยู่ตามลําพังจิตอยู่ส่วนจิตแล้วก็อะไรเกิดขึ้นรู้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้น มันก็เกิดเองแบบเองแมนว่ามันคนส่วนกับจิตมันเหมือนจิตนี้กําลังมองดูอ ะ, อะเหมือนเหมือนทั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารซึ่งออกจากนี้แล้วเราจะเดินทางไปที่นั่นะจะจะไปเข้าไปในวัดเชตวันเมื่อไหร่ก็ขึ้ความเหมาะสมขณะนั้นพูเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารอะมันก็จะมีพวกคนงานอะไรต่ออะไรเนี่ยไปช่วยกันตัดกิ่งไม้บ้างตัดต้นหญ้าบ้างตัดต้นไม้เล็กๆกบ้าง แล้วก็ล่าก็พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่กับพระกับสาวกของพระนะดูก่อนที่สุดทั้งหลายตรพวกเธอเห็นเขาจริงไม้เหล่านั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอจะสำคัญว่าจริงไม้เหล่านั้นเป็นเราได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้านั่นก็คือพระองค์ให้มาเปรียบเทียบภายในจิตเนี่ยหน้าที่มันจิตท่ามันชงตัวอยู่ได้อะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นเองแล้วมันจะรู้เองเมื่อมันเห็นมันรู้อยู่อะ ถ้เปรียบเทียบกับข้างนอกก็เหมือนเขาลากกิ่งไม้ไปอ่ะแล้วจะไปสำคัญว่ากิ่งไม้ถึงเราได้อย่างไงอ่ะนคนละเรื่องแต่กิ่งไม้หนเห็นชัดพระองค์ก็เลยอุปมาเปรียบเทียบให้ดูว่านั่นเห็นไหมนั่นนันกิ่งไม้อ่ะจิ่งไม้เขาลากไปอ่ะก็คือเหมือนกับจิตกำลังมองดูอะไรอยู่ก็ตามสภาวะอะไรก็ตามไม่ว่าสภาวะทางร่างกายก็ตามมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันเกิดอะไรขึ้นหรือสภาวะทางจิตความคิดความคิดความปุ่ความแต่งความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาทหรือไม โผขึ้นมาจิตของเราเข้าไปสำรยจเป็นเวทนาทำจิตจนแยกไม่ออกว่าเป็นกายหรือเป็นจิตเป็นตึงๆเป็นเคียดๆเป็นลึงลลังๆเป็นคึมเป็นเหมือนเมฆเป็นเหมือนหมอกเป็นอย่างไรจิตบางจิตกั้นจิตอันนั้นน่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกดูทั้งหมดถ้าจิตมีกําลังจริงๆจิตจะถอยเข้ามาอยู่กับจิตแล้วก็วางสิ่งเหล่านั้นหมดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวจิตเองจริงๆมันก็เป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนหลอก คล้ายๆกับมันเป็นตัวดูตัวรู้เฉยๆแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงมันก็คือจิตคําว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เฉยๆหรือว่าน้อมไปสู่อารมณ์เฉยๆหรือว่านี่คิดตรงปรุงแต่งอารมณ์ได้แต่มันไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวจิตเอนก็ไม่ใช่ของเราผู้เจ้าก็เลยเกลีเทียบยากก่อนว่านายเห็นไหมเห็นไหมแต่จริงไหจะเห็นไหมที่เขาลากไปละ เคจะสําคัญว่าจิไหมเป็นตัวเราได้ไหมเป็นของเราได้ไหมก็คืให้มาเปรียบเทียบกับข้างในนี่แหละว่าเห็นไหมเห็นไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้านขนาดนี้เดี๋ยวเนี้ยแล้วมันเป็นเราได้ไหมเป็นของเราได้ไหมเป็นตัวเราได้ไหมก็อันเดียวกันนั่นแหะแต่เปรียบเทียบจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในเพื่อให้มันน้อมเข้ามาให้เราเนี่ยเป็นผู้ดูอยู่เฉยไม่ได้ร่วมแสดงไม่ไปเอาเรื่องเราต่างๆนี่เข้ามาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเหมือนกับเราไปร่วมแสดงกับเขามีอารมณ์ร่วมกับเขา หรืออย่างที่เราไปเมื่อวานเนี้ยบุกแพร่ทุกเด็ก็เล็กๆ ล, ล, ลบักทูกใหญ่บักนเอาก็อยากขายของก็าหาทุกทางทุกวิถีทางเพื่อจะให้เราซื้อบักหน้าบักหลงังทั้งทาพูดทจาจาคือเขาเขาไม่กลัวไม่ไป้ืิอว่าเราจะราะคาญเพราะเขามุ่งอย่างเดียวอยากขายของอยากได้เงินเเราลงเรือไปเรื่องก็ตามลงไปอะขณะที่เราฟังทางมานั่งกันมาดีกันก็ ก็ม้วทรงเชิงเขาไม่ได้รู้เรื่องดุราอะไรเนี่ยมันเข้ามาในจิตเรามันจิตเราลำคาญไหมถ้าลำคาญแสดงว่าเราไปโ่วแสดงเราไปเอาเข้ามาแล้วหรือเรามายังที่นี่มาอย่างที่นี่กเราเดินไปอย่างนี้มันก็จะมีหลายกลุ่มพวกชาวพุทธเหมือนกันบางคนเขาก็มาเสียงมาทายาโยนเงินขึ้นไปอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้ไล่ปจะคุกกันบางคนก็เอารูกประคามาขอธรรมะเอาศัยมือทำมือแล้วก็เอาประคำ ลูกไปกับกเขาเจดีอ่ะเพราเขาเชื่ออย่างนั้นอ่ะามันมันพูนจิของเขาอยู่แค่นั้นอ่ ะ, อะหลังว่าให้มันมันถังมันศักดิ์สิทธิ์ที่มาแล้วก็พกติดตัวไปว่าเราได้เอาไปลูกเอาไปลูกถูงพกกระเจดีมาเรียบร้อยแล้วอือโอ้ยไถึงประเทศพินเิเยอาเอาลูกประคำนี่นำะไปถูมาแล้วมีค่าแล้วถ้าเรามองดูเนี่ยมันก็สําหรับสายตาของคนที่มีธรรมคนที่รู้คนที่เข้าใจมันกบบโอ้โหมันยังห่างไกลมากเลยนะ ว่าเอาสวดมนตอาจิตกระทำทุ่มขึ้นมานั่งสวดแล้วสวดเล่ า, ากราบแล้วกราบเล่ามันต้องมีขั้นอยู่ทจิตอ่ะไอธรรมะของพระองค์นันเป็นเรื่องของจิตจิตที่มันรู้ความจริงรู้ความจริงแล้วมันปล่อยวางได้และการที่มันจะปล่อยวางได้มันต้องสำรวมจิตซะก่อนมีสติรักษาจิตไว้ให้ได้ซะก่อนไอจิตนี้มีกําลังซะก่อนไม่ให้จิตไหลไปถนนตรงนี้แต่มันไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเอากําลังที่ไหนอ่ะเพราะม่มีสมาธิบางคนจะบอกว่สมาธิเป็นตัวมุ สมาธิปัจมุขฐานตัวสมาธินี่เป็นปรจมุขฐาก็เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของคุณธรรมทั้งหลายของจิตศูนย์รวมของกุศลทั้งหลายที่อยู่ในจิตศูนย์รวมคุณสมบัติของจิตที่ดีงามเนี่ยมันต้องมารวมอยู่ที่สมาธิแต่โดยที่จะแจงเนี่ยคือตัวสติตัวสติคุมไม่คุมไม่คุมไม่สมาธิยังไม่มีคุมไม่คุมไม่เยเป็นสมาธิขึ้นมาสตินี้กำลังขึ้นมาเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาต่อไปก็สมาธินี้แล้วจิตก็เริ่ม มั่นคงขึ้นมาสติก็ลดยดความสําคัญลงดูอยูอ่เฉยๆดูอยูอ่เฉยๆอะไรเจอที่เราเป็นผู้ดูแหละที่นี้เนตัวสตินี้ก็จะเริ่มมีปัญญาเข้ามาประกอบมีสัมปัญญาเข้ามาประกอบเรียกเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันก็เริ่มมีคุณสมบัติที่ดีงามมากขึ้นเป็นคุณสมบัติที่จะรู้ความจริล้ที่นี่เมือม่อเมือม่อพระบางองค์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าก็เชให้ดูเลยว่าอย่างนี้ไหมเขาหลับไปเนะ เพราะนั้นเราเห็นอะไรก็ตามเราไม่ไปร่วมแสดงอ่ะมันจะติตกะขนาดไหนมันจะน่ารำคาญขนาดไหนเราพยายามรักษาจิตไว้ไม่ไปร่วมแสดงแค่เป็นผู้ดูไว้ก่อนดูไว้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนสาวกของพระงเห็นไหมเขาลากเด็กกินไม้ไหเห็นเด็กกินเห็นไหมเขาลากไปอ่ะทานไ้เสร็จแล้วเขาก็เอากิ่งไม้เหล่านี้ไปรวมกันแล้วก็เผาเผาไฟก็ลุกขึ้นเนี่ยเป็นความเป็นเท่าไป็างเคาเห็นไหมเห็นเขาเอากิ่งไม้เหล่านั้นไหมต้นหญ้าเหล่านั้นไหม เห็นไปเจ้าค่ะเพืจะสํนนาคัญว่าเขาเขาเธอได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะแล้วมันกินไปไม่ได้ข้างนอกก็เป็นข้างนอกเนี่ยก็ทีนี้อ่าไอ้ไอ้ที่ชื่อเรานั้นเข้าใจนี่เขาปั๊บมันมันทวนเข้ามาข้างในเลยมันเกลียบเทียบเข้ามาข้างใน ย, ยตัวจิตก็เห็นอยู่รู้อยู่ดูอยู่อ่ะไอ้ข้างนอกก็สแสดงอยู่เขาก็แสดงก็แสดงไปสิอ่าเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นกลิ่นเหม็เป็นเหมือนกับเป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่ข้างนอกเหมือนข้างนอกจิตอ่ะ การิดเป็นตัวเห็นมีนาเป็นตัวรู้ไอ้สิ่งเหล่านั้นถูกรู้มันจะ็นอันเดียวกันไม่ได้ตัวรู้กับสิ่งถูกรู้เท่านั้นอ่ะเพราะนั้นจิตต้องมีกําลังมันถึงจะกลายมาเป็นผู้รู้ได้ถึงจะมาเป็นผู้ดูเฉยๆได้ไม่ร่วมแสดงแต่การ่องราวข้างนอกเพราะนั้นสมาธิก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นละสติอันดับแรกเลยสติเป็นสิ่งจําเป็นเพราะนั้นถ้าใครมาแล้วมาครั้งนี้ใครสํารวมสติดี เวลาต่อไปถึงสถานที่สําคัญเรานั่งปฏิบัติธรรมจิตก็จะเข้ามาได้เร็วเข้ามาได้เร็วก็รู้เร็วเห็นเร็วเพราะเรามาสถานที่อย่างนี้เพราะว่าเรามาใส่สถานที่ที่สําคัญสําคัญของพระพุทธเจ้ามันมีคุณค่ามันมีความหมายเพราะมีมพลังลานอยู่ในนี้มากพลังของเทคฐานสูงขนาดไหนก็ต้องมากราบมาไหวามาบูชายิาง่งคณะของเรามาอย่างนี้เรามาปฏิบัติธรรมมาแสดงธรรมเขารู้ เขารู้ก็ต้องมาชื่นชมยินดีร่วมอนุมโมทนาสาธุการร่วมฟังธรรมไปด้วยกันปฏิบัติธรรมไปด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกั น, ก น, กนมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นมาแต่ต้องคอยระวังเมือนกันินวรณ์มันจะมาตั้นทันินวรณ์มาตั้งใครก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเพราะเพราะอันนี้เราต้องแก้ไขตัวเราเองต้องพยายามที่จะประคับประคองทาให้มันตื่นตัวแก้ไข ย, ยังไงก็ได้ทําให้มันจิตตื่นตัวข้างใน ภาษาะว่ามันตึงตัวพลังทั้งนอกพลังภายในของเราก็สอดคล้องกันได้รับ ก, กันได้สามารถทําให้เจริญกา้าวหน้าได้ทีนี้ถ้าใครมีสติดีควบคุมจิตได้กาลังมีแล้วทีนี้กําลังมีแล้วจิตก็เริ่มบั้นคงละ้าบั้นคงมีหมายว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันเป็นผู้ดูได้ดูหยู่เฉยว่าจิตไม่ไหลออกไปไม่รีดตามต่างวิทนามานี่วิทยานามี่ลังกายเท่านั้นมันตกกัดทิศออกไปมันก็อยู่งเฉย จะเป็นเรื่องของวิทยาเลนี่มันจะเย็นมันจะร้อนมันจะยังไงก็ช่างมันเป็นเรื่องของเวิทยงง า, าทั้งหมดดีด้วยจิตเราได้รู้ได้เห็นว่าอ๋อธรรมชาติใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีวิทยาทางกายมีความเจ็บความปวดความมึนความชานี่แหละพระเจ้าก็สอนสอนสอนสอนปัญจวัคคีทั้งห้าเน่ยว่าต้องมีอวัยวเดียวแปดก็คือถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติ ก็อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยมีสัมมาวายมะมีเราพูดสามอันนี้ก่อนเพราะว่ามันภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้น3มอย่างนี้มันมีความสําคัญเพราะว่ามันต้องมีสัมมาวายมะคือความเพียรชอบพตอะนั้นสติปัฏานสี่โรกก็พูดความเพียรก่อนเหมือนกันอาตาปีเป็นความเพียรแต่ตานกิเลสให้เลาร้อนเป็นความเพียรเพื่อปฏิบัติตอนบาถิณอริยมรรคก็คือสัมมาวายมะความเพียรชอบ สามาก็มีสตินะตักที่สัมมาสตินี่แหเดี๋ยวก็ไปอยู่ในองมรรคนี่แหละนะสัมมาสติสำสัมปััญญาสัมปัาตัวปัญญาปัญญาเบืต้นนี่เรียกว่าสัมปัจัญญาแต่ถ้าาว่ามันอ่ามันปัญญามันมันสูงส่งขึ้นชุมขึ้นกับปัญญาเป็นปัญญาที่รู้ความจริงเห็นพระตรักี่ยงครับในรตักก็ปัญญาสัมปััญญอันนี้หละเป็นสมมาทิฐินะมีสมาิฏิ มีสามตัวนี้สําคัญเพราะนั้นเราเริ่มต้นเป็นส ม, มาธิคือความเห็นชอบรู้ทางดําเนินของพระพุทธเจ้ารู้ทางออกจากทุกตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อ น, นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้ตรงแล้วก็พยายามมีสติสํารวมสติเอาไว้จนกระทั่งก็มีสติก็มีสมา ธ, ธิเพราะนั้นสตินี่จึง ม, มีความสําคัญมีความเห็นถูกมีสัมมาทิคืออันนี้ส ม, มาธิคือต้งแต่เื้อมต้นต้องแต่ขั้นการฟัง จนกระทั่งสุดท้ายต้องเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนกิ่งไม้เป็นเหนนมเเหือนกับท่อนไม้เป็นเหมือนใบไม้ใบหญ้าซึ่งเขาเป็นเผาใส่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราต้องให้จิตเราเข้ามาเห็นภายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราอย่างนั้นเหมือนกัน يع, หมายว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ตามจิตเรามั่นคงอยู่จิตเรายิ่งอยู่จิตเราเฉยอยู่ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ไปร่วมแสดงไม่วิ่งออกไปทางไหนไม่ถลี่ถลายออกไปข้างนอกแต่มันเจ็บจออยู่ภายใน คอยดูอยู่อะไรพวกมันต้องมันต้องรู้สิอ่าวนี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีเหตุปัจแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเยอะยวก็ดับไแต่เราก็เฉยๆอยู่อ่ะถ้าว่ามันมันละเอียดเข้าไปมันจะดับหรือไม่ดับไม่สําคัญแลว้วเกิดก็เรื่องของมันบับก็เรื่องของมันแลว้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแบนี่ก็คืออนัตตาซึ่งมันมันเข้าไปอยู่ในจิตของเราจิตของเรามีตัญญายาณต์คือเห็น สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างแท้จริงมเมื่อผู้เจ้าสอน อ, อัยยะป จ, จวัคคีทั้งห้พูดถึงอัยยะมรรยาภัยก็คือสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยู่นี้จะไม่พูดรายละเอียดเกี่ยวกับภาพปริยัติะจะพูดเข้ามาหาจิตของแต่ละคนเลยว่ า, ามีสติแล้วก็จิตเนี่ยเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้ความจริงเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงก็คือว่า เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับตายดกบตายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวไม่เราไม่ใช่ของเราก็คือเห็นต่าตายรักนั่นเองสิ่งที่เราเห็นนี้ผู้เจ้าสอนในแง่ของอายศาสตร์สูหมายว่าความจริรงตรงชี้มาที่เป็นความจริงความจริงโดยตรงเลยว่ามีร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนก้อนทุกข์อ่ะเป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งมีในนั้นมันมีโรคภัไยไข้เจ็บมีความหิวความสาหายอ่าถ้าว่าเราไปเอาความทุกข์ เป็นสิ้นมันเป็นสภาวะทุก์เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายโดยธรรมชาติของมันมาเป็นความทุกข์ของเราเมื่อไหร่เราทุกขันทีเลยมันมาเป็นความทุกข์ในจิตของเราพระผู้เจ้าจึงสอนลงว่าเนี่ยทุกข์ทุกข์ ท, กทางกายมีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีไปทุกชนี้ถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายว่าปวดหัวปวดท้องปวดฟันปวดแฉ่งปวดเท้าปวดเส้นปวดเอ็นหลงนั่งหลงนี้เป็นทุกข์หมดแต่ถ้ามันเป็นทุกข์อยู่เฉยไม่มีวปธีทำไม่เป็นไร แต่ถ้าเราไปมีอุปทานว่าเราเจ็บเราปวดเราไข้เราแย่แล้วเป็นเราอยู่ในนั้นมีอุปทานอยู่ในนั้นนี่คือตัวทุกข์อุปทานในขันทั้งห น, นี่แหละคือตัวทุกข์นอกจากมันมายึดร่างกายว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็ยังไปยึดเก็บนามมาทำทั้งหลายเวทนาก็อว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนามันก็เกิดขึ้นได้คนนั่งน้ำเนี่มันเจ็บก็ปวดเนี่ยพอเจ็บปวดแล้วเราดูด อ, อ๋อดี่น้าตามเวทนาเป็นอย่างนี้โผลมาแล้วสัจธรรมความจริงโผมาแล ทุกอันแรกโผล่ขึ้นมาห้เห็นแล้วเหนี่เนียวสัจเจอริยสัจสตัวแรกเลยทุกให้กําหนดรู้พุกเจ้าบอกกิจที่ควรทําเกี่ยวกับความทุกข์มีสามอย่างหนึ่งนี้คือทุกเพราะนั้นแใครเห็นว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายเรามันมีทุกข์อยู่นี้คือทุกเห็นเลยเวทนาโผล่ขึ้นมามันเกิดมันเวิดนี้คือทุกถ้าเห็นอย่างนั้นแสดงว่าเอานนี้แหละอุรัสสัจจญาณหมายของว่าญาณที่เห็นความจริงแล้วนี้คือทุกเห็นควรทํายังไงมีกิจที่ควรทํากับมัน ให้กําหนดรู้ต้องเข้าไปรู้มันไม่ใช่หนีมันไม่ต้อกลัวเจ็บกลัวปวด อ, อย่าให้มันหายอ ย, าย่าพยายามทะเยอไม่ต้องทางนั้นถ้าใครอยากดูถ้าอยากทําตามที่พระเจ้าสอนว่าเราเนี่ยตรงอายะสัตตีมั้งทุกให้กําหนดรู้นี่คือทุกเห็นก่อนแล้วมันเป็นทุกขึ้นมาแล้วนี่คือทุกมั น, ม น, น, นอยู่ข้างมันนะให้กําหนดรู้กําหนดรู้ก็คือจิตเราวิ่งอยู่เฉยดูอยู่ถ้าจิตเราวิ่งไปก็เอาดูมันไปก่อนเนี่อาจิตนี้กําลังเมื่อไรมันจะถอยออกมาจิตต้องอยู่กับจิตได้ ตัวในตัวทุกก็อยู่มันก็เป็นหน้าที่อาาทของเวทนาทุกเขาเวทนาเท่านั้นเองมันก็เห็นชัดถึงเวทนาสับเล่าเวทนามันเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าใครเห็นอย่างนี้โอ้โหเบาเลยนะเบาที่สุดเลยนะฟบชาตินี่สร้างลงในลูกเกียวสงขรนะ์ก็เห็นแค่นี้นะแะหมายว่าอุปทานนี่มันขาดสะบั้นออกไปแม้นิดหนึ่งก็ยังดีมีนิดหนึ่งนี่มันสว่างสวัยมันมีคุณค่าต่อจิตใจสูงมากเลยนะอันิดหนึ่งเป็นตัญญาที่เกิดภายในนะตัญญายามที่แท้จริงเลยนะ สัมมาทีิฏฐิเลยเนะโล ก, กุตุละสมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแนวโล ก, กุตุลละเลยหรือถ้ใครปรหาได้จริงก็เป็นโล ก, กุตุละสมาทิฏฐิอย่างแท้จริงเลยอันนี้มันเป็นความจริงเนี่ยที่พระเจ้าเอามาแสดงธรรมในวันนั้น่ะก็แสดงธรรมสุดท้ายเรื่องอริยสัจสนี่แหละพ อ, อย้อมมีองค์แปดมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ต้องมาดูทุกนี้คือทุกให้กําหนดรู้เนี่ยเมื่อกําหนดรู้แล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้ อันนี้ระดับพืนะ้นๆระดับเบื้องต้นนะถ้าพวาร์านเะนี่ยเดืนี้คือทุกให้กําหนดรูร้รู้แล้วรู้แล้วแล้วก็มันดับไปหมดแล้วแต่ถ้าไมนหมายถึงพวาร์นแต่สำหรับผู้ปฏิบัตินี้หมายว่านี้คือทุกให้กำหนดรู้เรากําหนดรู้แล้วถ้าบางทีมันดับไปมันดับไปจิตเราก็วางไปวางไปมันก็ไอเด่นทุกก็ไม่มีละนี่เนี่ยไอเด็นทุกก็ไม่มี une, ถ้าเราวางได้จริถ้าเราวางไม่ได้มันก็ทำาในขันตั้งแตคือตัวทุกเนี่ยวมันทำให้เราเป็นทุก เป็นทุกข์ก็เพามีอุปทามในรานกคืออยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยาน่างนี้อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการต้องรู้ว่านี้คือสมุทรไทยต้องยินดีเป็นทุกข์ได้นันนี้คือสมุทรไทยให้ละแต่วิธีละสมุทรไทยก็คือรู้ความจริงเห็นความจริงแล้วจิตมันละเองมันปล่อยเองมันวางเองนั่นมันต้องให้เขามีเปได้มีปัญญาม่ตรู้รู้ทางปฏิบัติด้วยนะถ้าไม่รู้ทางม่นจะอยากให้มันหายอยากให้มันหายอยู่มันก็ไม่เห็นความจริงสิ แต่ถ้าตามที่คุณเจ้าสอนเอาสำรวมจิตไว้สะกดจิตนี้กําลังมานะอะไรโผล่ขึ้นมาดูเลยนี้คือทุกข์อย่างร่างกายยิ่งมีสุก้อนทุกข์แล้วเนี่ยมีกองทุกข์นี่ก็ดแตเจ็บตายเนี่ยเอเกิดมามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันแหละเนี่ยแกก็เป็นทุกข์เนี่ยเจ็บ ก, ก็เป็นทุกข์เนี่ยจะตายมันก็ทุกข์เนี่มีอุปหัรในในพวกนี้หละมันเป็นทุกข์ทีนี้มันมีร่างกายแล้วมีเมตนาทางกายขึ้นมาถ้าว่ามันมันอยู่ของมัน มันก็เป็นเป็นธรรมชาติทังหนึ่งเราไม่ดูประทานไม่จะยึดมันว่าเป็นของเรามันก็ไม่มีกระนาอะไรแต่ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเรสนาของเราเราก็อยากให้มันหายเราก็ไม่อยากเจ็บเราก็ไม่อยากปวดนี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์เราทํามันมนระ่างกายเป็นว่าเรานะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอไอามันมาก็เป็นว่าเราอยากไม่อยากเจ็บเนี่ยก็ทําเพื่อตัวเราอเองเนี่ยมันเป็นเราขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเอาว่าจิตมีกําลังเนี่ยตั้งใจดูเลยทําจิตให้เส้นแข็ง คชือคำสอนของพระพุทธเจ้าสํารวมสิ่ดีๆเลยทำเหมือนก็ว่ามีันเป็นเหมือนกิ่งไม้ใบยญาเหมือนกับสิ่งที่เขาหละทไปเหมือนเขาไป ก, กาลังเผาไฟหรือมันเหมือนกับที่พระองประทับอยู่ที่แม่น้ํำคงคาเมื่อวานไปเมื่อวานอยแม่น้ำค ง, างาำคงาว่าเออฝนตกอฟองน้ําไหลมามันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนะพระพุทธเจ้าวบอกว่าดูกับนที่สุดทั้งหลายจะเห็นฟองน้ำนันไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอจะสําคัญไหมว่าฟองน้ํานั่นอนะ่ะ มันมีเก๋นมีสารสาระมันอยู่ได้ตลอดไปไม่ได้พะยาคาบเพราะข้างในมันเป็นรูมันกวงแล้วข้างในมีฟองน้ําอ่ะนเลี้ยงกระแตกสลายเลยนะว่างกายเราเหมืนเตียงเหมือนฟองน้ําดูซิดูเจ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะวิ่งข้างในมีแต่เชื้อโลกไม่ น, นลูกแปดหมื่นตะปูนอ้าวผูเจ้าว่านี้นะแปดเมื่นตะกูลเลยช้อนชัยอยู่ในร่างกายเราทั้งขี้ทั้งเยี่ยวออกลูกออกล้านอยู่ในนั้นหมดเลยเรามาสัมคัสหลอดเป็นยวหลังใจของเราเหมือนกับมันอยู่ตลอดตายมันไม่เช่นนะ มันไม่ใช่เนี่ยผู้เจ้าพยานสอนความจริงอันเนี้ยต้องเข้าไปอยู่ในใจแต่ละคนแต่ละคนเน่ยมันจะได้ล่างประทานจะได้เลิกหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงจนกระทั่งเป็นทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์ก็ต้องมารู้ความจริงเหล่านี้เพื่อที่มันคลายออกเริ่มจากการร่างกายนี่แหละเนี่ยรวมทั้งเวทนาทั้งหลายด้วยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวมึนเดี๋ยวชาเดี๋ยวคันเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยอย่างนั้นอ่ะขึ้นๆลงๆไปเปลี่ยนตอนงไปอย่างนั้นแ่ะ มันไม่ได้อยู่ตลอดไปก็คือมันไม่มีแก็บสารสาระอะไรอยู่เนี้ยอย่าไปหลงยึดมั่งมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่แล้วมีบ้างไม่มีบ้างเยวมีเดียอะหายสุขทุกอะไรก็ตามความสุขก็เหมือนกันแหะอ่ามันไม่เ้นจะทันปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกันพระเจ้าก็มายึดน่ยยึดเมื่อไหร่เป็นทุกเงินนั้นว่าก็คือไปยึดว่าเออมันสุขมันสบายมันดีอยากให้มันดีตลอดไปพอไม่ดีมาก็โอ้โหเยี่ยแล้วยี่แล้วที่จริงเป็นสภาวะธรรมแค่นั้นเองแล้วก็มันกำลังประกาศความจริงเปิดเผยความจริงให้เรารู้啊 บางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยถ้าอุปทานนั่นแหละในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือเหตุแห่งทุกข็คืออยู่ตรงนี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหมันอยเวลามันออกมาจริงๆมันมีอุปทานแล้วก็เลยอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการขึ้นมาก็เลยต้องไปดูไปดูแล้วก็ให้มันเห็นความจริงว่าเฮ้ยคนจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันเกิดเองดับเองนะมันเป็นของมันเองนะแปลงงไปอย่านี้วมันไไไมม่่ด้เราาอยกให้มันนนเเปป็็ <im itation> อย่นู่ที่ว่าใจเรายอมรับได้ไหมใจเรายอมรับได้ไหมใจเรายอมรับได้ไหมทุกเรื่องทุกราวถ้าใจเรายอมรับได้มันก็ไม่เป็นทุกนะเพรสาสคัญอยู่ที่ใจเราแล้วด้ที่หนึ่งมันไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วนะเหนียวพี่เจ้าสอนสอนตรงเรื่มหาจิตแต่ละคนเลยนะเอาเราไปเห็นเขาทำโน้นทำนี่เองเราเออเออเอเอักษาใจรักษาใจเราเป็นเรื่อ ง, งของเขาเราอยู่ในโลกก็ต้องเป็นอย่างมีตามีหูมันก็ต้องเห็นต้องได้ยินอยู่างนี้แตหละตลอดไปใจเราสำคัญเรายอมรับได้ไหมเราเห็นเป็นธรรมดาได้ไหม น, นี่นี่มันมาตรงนี้เลยนะตรงจิตของตัวเองเลยนะทุกเจ้าไม่ได้สอนออกนอกทางเลยนะสอนก็นมาหาทางก็งคือจิตของตัวเองเลยอ่ะเ <c oughs> พราะนั้นถ้าใครมุ่งมั่นมาแก้จิตมารักษาจิตมาสอนจิตแ ล, แลแต้วก็เปล่ยางที่จิตได้นี่แหละตรงทางที่สุดเลยนี่แค่เนี้ยทางของทุกเจาออ้ศาอเยเสสีก็เรื่องจิตนี่แหละให้จิตมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้น อ, อ่ะพาไปสําคัญมาเป็นตัวเป็นจนที่มาาเอาทุก ข, ข์เข้ามาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในจิตเอาทุกข์เข้ามาอีกแล้วถ้ามันเห็นแล้วกวางเฉยได้แล้วก็มาสอนจิตตัวเองมาเอา มันเป็นธรรมดานะเนี่ยอ่มันอยู่ข้างนั้นอ่ะมีปัจจมันก็เกิดขึ้นอ่ะมึงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็ดับไปจิตเราเป็นยังไงทีจิตเราไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเหมือนอยงมันจะไม่ดอสมตว่าร่างกายมันแน่นแน่นขึ้มันหนักขึ้นมาเราอยากให้มันเบาอยากให้ร่งให้โกงอ่าแล้วก็ไปมีรูปทานอยากให้มันเบาขึ้นมาก็อป้ยอุ้ยอุยมันกเป็นมันหนัเนาะต็ดอะไรเนาะแ่มมันเป็นนี่อลเนี่ยไปจิตเราจะ มันจะยกจะโค้มันจะเป็นยังไงถ้าเรารู้ตัวอยู่ยังไงบ้างเราดูไปดูไปเวลาไปถ่านนั้นเรามันเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมมันชุ่เป็นชมหมายหลังกายอันเนี้ยมันก็วางเฉยได้อ่าแม้จะความร่วมก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราดูเสยเฉได้เราถอยมาเป็นผู้ดูเลยถอยมาผู้ดูเลยสร้างตัวดูให้มีกําลังเหมือนกับตั้งหลักขึ้นมาแล้วเขาจะด tamam, ูให like <'s> okay, ้มันได้มันจะ็นยังไงหน้าตาของร่วมเนี่ยจะชุ่มเน่ยมนมีเวทนาใช่ไหมไหนเกิดขึ้นมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงถ้าเราเป็นผู้ดูได้อย่างเนี้ย ดักได้เลยนะหายได้เลยนะแล้วก็หายแบบบางทีมาเมื่อไหร่เราสู้ดับเพระเรารู้หลักรู้วิธีแล้วมันมาปักดิ้นขอยจิตออกมาไม่จิตเราไปจมอยู่กับเวทนาอะทินามิท่าเหล่านั้นจิตเราก็ไม่หลับไปกับมันไม่เชืเอ็ไประมันจิตเราก็มีหลักถยอยออกมาตั้งหลักได้ดูได้เห็นได้รู้ได้ไม่เข้าหลักผู้เจ้าหมดเลยเข้าทางผู้เจ้าหมดเล ย, เลยอะทีนี้ถ้าว่าเราดูเรารู้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นนามก็ตามเป็นกายเป็นใจก็ตามนะว่ามันเกิดแล้วก็เห็นมัน ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเวทนาอย่างเนี้ยเห็นครัดเวทนาเนี่ยโอ้มันอยู่ของมันนะเนี่ยวทนานยู่ที่ร่างกายเท่า น, นั้นเองอจิตของเราล่ะเราดูอยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆโอนี่ตรงร่างที่พะสวนว่าให้ดูเฉยๆดูอยู่เฉยๆไม่ไปร่วมแสดงไม่เข้าไปจมอยู่กับมันไม่เข้าไปหลุอยู่กับมันคือถอยมาเหมือนดูอยู่เหมือนเป็นผู้ดูอ่ะมันเราไปไหนมาไหนเราดูแค่เขาอ่ะ เขาเดินไ ป, ไปเดินมาเขาทำโน้นทํานี้เราก็เห็นเราก็รู้โอเคมีเขาเป็นอย่างนี้ทําเดียวก็เป็นอย่างนี้เขาอยู่กันอย่างนี้เนี่เราก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาเราก็สบายสบายเหมือนกับเราเป็นผู้ดูทีนี้จ้านอนเขามาอย่างนี้แหละเอาเวทนามก็ใช้ๆตรงนั้นหละเอาเอมันก็เราเ น, รนั่งไปเดี๋ยวันก็โผลขึ้นมาให้เห็นละให้เห็นก็เออดีว่ามันโผลมาให้ถิเราเห็นน่ะถิเราจะได้รู้ว่านี่แหละคือตัวเวทนาแหละหน้าตาเวทนาเป็นอย่างนี้แหละนี่เราอะเวทนาขันแหละอะเวทนาขันก็เพราะมีรูปขันอะรูปขันเนี่ยก็ ลูกๆหลาๆลูกหลายๆ ล, ลูกมารวมกันก็เป็นรูปประคันเป็นกองแห่งรูกกองแห่งลูกเดี๋ยวมันก็มีเวทนาขึ้นมามันก็เป็นกองแห่งเวทนาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเราก็เห็นหมดอ่ะยิ่เราไม่ไปร่วมแสดงแล้วลอกแค่ดูเฉยๆอยู่เมื่อเราดูเฉยๆอย่างนี้ได้ถูกหลักแล้วถูกทางแล้วจิตก็เป็นกลางๆแล้วอารยธรรมอารยมรอร อ, รอรงกายก็อยู่ตรงนั้นแหะเห็นเป็นกลางๆลั่นเองไม่จริงไม่จยิงไรเราเห็นความจริงรู้ความจริง จิตวางเฉยจิตจ่อยจิตวางได้วางเฉยได้เหมือนดูอยู่เฉยได้สมุทัยเกิดขึ้นใม่ได้ดิเหตุทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ว่าเราไม่ยิ้มประทานถ้าเราไปยิ้มประทานดู้วไม่อยากเจ็บเนี่ยเอาแล้วไปยึดแล้วที่นี่ไม่อยากเจ็บขึ้นมาแล้วมีเราแล้วเราไม่อยากเจ็บขึ้นมาแล้วความเจ็บก็เป็นเราแล้วเราก็ไม่อยากเจ็บแล้วนี่เหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นแล้วเหตุความยินดียนร้ายขึ้นมาแล้วเหตุ่งทุกข์เกิดแล้วนี่คือตัวสมุทัยถ้ามันเกิด เขาแยก็ไม่ใช่ให้กลัวนะนี่คือส ม, มุทัยหยือถ้ า, าเร็วแล้วที่แบบนี้คือส ม, มุทยัยต้องดูดูลงไปเพื่อมันจะละอาออกไปก็เป็นตัวทุกข์เช่นเดียวกันเหมือนกันส ม, มุ ท, มทัยเราไม่เกิดทุกข์มาแล้วมันก็ดูทุกข์มันหนักขึ้นในจิตเรามีน้ําหนักขึ้นในจิตเพราะนั้นเวลาเวลามันมีนมทุกข์เนี่ยทุกข์ในจิตนี่นคือมันมีน้ำหนักขึ้นในจิตเพรเราไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงปล่อยวางวางเฉยจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้มันเลยมันมีน้ําหนักอยู่ในจิตเวลามันหนักๆนั่นแหละมีแล้วมีแล้วทุกข์มาแน่นอน้ บางทีเราโอ๊ยทำไมจิตเราหนักหนักนะจิตหนักนั่เรามีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วเนี่ยทำไมนะเ่ยเออแต่ถ้าเราทําใจเป็นตามแล้วคอยดูมันไปมันก็กลายเป็นตัวทุกให้เราดูอีกเป็นสาบานว่าทุกคนหนึ่งเดี๋ยมึงก็สาวไปให้มาหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้กินแล้วก็ปล่อยพอปล่อยแล้วสมุทรไทยก็ดับไปเนี่ยให้ละมันแล้วก็คือต้องเห็นความจริงเลยนะเห็นว่ามันอยู่ข้างนอกหคือมันเป็นเรื่องของคนอื่นเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอ เราไม่เคยยึดม no ั่นถือมั่นมันเข้ามาเป็นเราเป็นของเรามันวางเฉยได้สมุทัยก็ดับไปสมุทัยดับนี้โลกก็ดับได้วยกันเนี่ยมันอยู่นิด้วยกันเนี่ยเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้นี้คือทุกข์นี้คือเหตุแงทุกข์นี่แหละที่ผูเรียนอนที่สอนเยอะสักเนาะสอนให้ดูความริงภายในจิตเราภาในตายเรานี่แหละในขนาดนั้นชีวเ่านั้นมันเกิดขึ้นเมื่อนอย่างขะนี้เอาท่านมีเวทนามาเห็นสักเจี๊ยบเลยร่างกายเราเป็นยังไงเจ็บปวดบุญชาทําอะไรมีไหมหรือสุขเวทนาก็ตาม โง่ลุงเบาสบายสุขเราเห็นมันไม่ไมรู้มัม้ยถ้ารู้มันแล้วเราวางเฉยได้จิตเราเป็นผู้ ด, ดูเฉยได้ไม่ใช่ลงมาเราสูสุขหนอสุขหนอะอย่างนั้นมันสุขตลอดไปไช่ไห่อย่างนั้นเออดีนะเนี่ยโอ้ยเขาได้อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยคงจะดีเขาก็ให้รู้มั้งเขโทรยังไงไม่ให้รู้มั้งเนี่ยเดียรู้ายรู้จิต ข, ของเรานี่นยภาวน า, นาจิตทำเป็นสติฐานสีก็ใช่หรือว่ารูปประคันเวทนาข่าำสัญญาข่ำสัญญาละข่ำเดียรละข่ำก็ใช่ เรียกันหมดเลยเนี่ยพอทํามมาของผู้เจ้าประมวลเข้ามากำมวณ เ, เข้ามาอากาจเราทำจิตเราก็เคยให้ิเราไปรู้เซียรู้ความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรนี่เห็นกระจายแล้วกเกิดเกิดขึ้นทีนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันกําลังไม่พอมันยังไม่ชัดเจนฟังธํานี้ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกําลังเมื่อไหร่มันมองเห็นเลยนะมองเห็นเลย พอบอว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตเราก็วางเฉยได้เว้มันยดเพิ่งมอกมาดูหรือเสยอย่างเงี้ยหรือบอกไห้ดูหรือเสยพระเจบอกให้ดูหรือเฉ ย, ย, อ, อ, เฉย อ, อย่าเข้าไปมเมียลมเรื่องกับมันอย่าไปรดนแสดงกับมันเมื่อเราดูหนังดูละครหรือเราเราดูอะไรอย่างเเขาละจิตไม่ผ่ไปอย่างที่พเจ้าสอนสาวกขององค์ละมันก็จะเหมือนกันเลยถ้าว่าจิตเรามีกำาังถ้าจิดไม่มีกําลังนี่ดูยังไงอ่ะนี่ทําไมมันเรามไม่เห็นสักทีหนึ่งก็แสดงว่าจิตเรายังกําลังไม่พอ เราก็ต้องพยายามจเจริญสติต่อไปอย่างน้อยก่อเราได้พบทางของพระเจ้าได้ตะปุปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้ามันประเสริฐมันเลืเล่ลิศมันสูงส่งที่สุดแล้วในชีวิตของเราต้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในในจัตวาณในโลก น, ลกนี้โลกไหนก็ตามนี่ก็คือธรรมะของพระเจ้านี่แหละมันเป็นความจริงสูงสุดในธรรมชาตินี้เพราะงั้นการที่เรามาร่วงรู้ความจริงอันนี้มันสามารถตาำทุกน้อยลงไปทำทุกแบบไปเนี่ยมันกระเสริฐที่สุดตรงนี้ พอเราเรียนว่าใจเกิดโอ้โหมันทุกข์แล้เกิดเนี่ยแต่แม้เราผ่านไปผ่านมามันมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเอออยู่ๆมาแค่เรงยนว่ามาลงรถตุ๊กมีเห็นว่าโอ้โหเขายินร อ, ข อ, ขอเาขากว่า ม, มีโอกาสได้ไหมเขาจะได้ไหมเขาจะมีโอกาสได้เงินได้อะไรไหมที่จะซื้อข้าวปลาอาหารของเขามันเห็นบังทีเลยอ่ะมาทุกรูปแบบเ น, นี่ยนี่มันก็คความทุกข์ภายในจิตใจเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาแล้ ว, ลวก็แสดงมาเป็นุฤติกรรมอ่ะ เราเราเราก็เหมือนกันบางทีเฉยๆเราก็คิดได้เดี๋ยวเราคิดตรงนั้นคิดตรงนี้บางทีไปพูดคุยกันบางก็อเอามาพรุงมาแต่งให้เราพูดตรงนั้นเนี่ยเขาจะคิดว่ายังไรนะเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าเขาจะกินความว่าอย่างไงแค่พูดไปเฉยๆก็พูดจนดีๆอยู่ตอนพูดอะ่ะแต่พอพูดไปแล้วเดี๋ยวเอามาชิดทีหลังอะ่ะเดี๋ยวเขาพูดถึงนมีความหมายว่ายังไงเขาว่าเราหรือเปล่าเขายินทาเราหรือเปล่าเขาเสียสีเราหรือเปล่า เขาอยมรับรือเ่าเขาดูถูกเราหรือเปล่าโอ้โหมันสารพาดเลยนะเพราะฉะนั้ตัวจิตเรานี่แหละที่มันเราไม่รู้ความจิตก็คือไม่ไม่รู้ว่านี้คือทุกทุกนั่นก็มาบรรจารในขันข้งหน้าไม่ว่าจะเป็นยุทธารในใจในลูกประคันในเวทนาเวทนาขรนทั้งเวทนาขันนี่ไหมทั้งใจด้วยทั้งจิตด้วยเวทนาไปในจิตก็มีความรู้สึกอะไรต่างๆ สุขหรือทุกข์ขึ้นในจิตเดียวรือเฉยเฉยขึ้นเราถ้าเราไม่มีสติรู้ต่างฟังเนี่ยมันก็เอามาเป็นอุปาทานทําให้เกิดเป็นทุกข์ได้อีก ย, ย, ยาถ้าเรารู้ไม่ตันมันเดี๋ยวมันลากเรื่องเข้ามาแล้วปรุงต่อไปอีกเป็นสังขามเนี่ ย, ย, นยนนเนี่ยสัญญาฐานร่องฐานะคัมเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราความคิดเป็นเราเของเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาขนาดที่ปรุงแต่งก็ไม่ได้เูยเฉยนะปวขึ้นมาก็มีนะ โมโหขึ้นมาก็มีสุขสบายขึ้นมาก็มียินมันยินใหญ่ก็มีเนี่ยมันมาพร้อมๆกันเลยนะมันไม่ใช่มาทีละตัวทีละตัวฉันคือเวธนานะให้กําังหลดรู้ให้เห็นสันนะไอ้ตอนมันโผล่มานี่เหรอโอยมันโมโหมันขุ่นมันเครื่อนสังขารตอนรับเอาไปติณไปแต่งเป็นกายเป็นหมามันเอาไว้เป็นสัญญาเวลาเราอยู่คนเดียวก็โผล่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมา ดูสิมันทําให้มันเป็นทุกข์มากมายมหาศาลเลยนะแล้วกระจายลงไปมันก็ตามไปดีมันไม่ได้มันไม่ได้หมดแค่ชาตินี้นีโ้โหนี่มันชาตเรื่องมากเลยนะเนี่ยถ้าเรามารู้ความจริงอย่างนีนน้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าโขเราเราจะหลงไปอีกนานแค่ไหนล่ะคราวนี้มีพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วเราก็ตามมาถึงที่แล้วตั้งแต่จุดําเนิดความเป็นพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตัดสินความจริงอันนี้แ น, น่นอน แล้วเรามาประกาศที่นตามมาเลยนะตามมาแล้วมาได้ยินได้ฟังสุ่ที่พระพุทธเจ้าทรงตระกให้สาวกขององค์เป็นทั้งแรงกเียโอ้โหแล้วเรามันก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วเราจะฟังเฉยๆเหรอเราจะมาเบีย ม, มามาตามมาเฉยๆเหรอเราก็ต้องเอาเข้ามาหาใจเราสิเขามาหาใจเราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็พยายามสังรวมจิตใจแต่ไม่ต้องอยากนะ แค่สร้างเหตุไม่พอพระเจ้าบอกสร้างเหตุกม่พอคือสัมดุลจิตใจเอาไว้ถ้ามันถ้ามันสัมลุนข้ามาแล้วมันรับฟังแล้วเข้าใจแล้วต่อไปก็ต้องปฏิบัติถ้ามันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็าต้องดูมันให้ชัดขึ้นโอตรงคำคำสอนของพระเจ้าแล้วถา้าว่าเรายังไม่ชัดเจนเต็มที่มันยังไม่ปล่อยไม่วางก็ต้องเอาละรู้ทางแล้วต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติให้มันรู้ผ่านจริงให้ได้เพระต้องเข้ามาหาจิตเราต้องมุ่นมั่นแล้วที่นี่ ทำอะไรอยู่ก็ ต, ต้องมีสติแล้วเพื่อปฏิบัตินี่แหละธรรมหละเนี่ยมีสติอยู่เนี่ยควบคุณจิตอยู่นี่เนก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาพุทธการเพื่เกิดสมาจิเตเกิดังยาขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดปัญญาสมาจิติตแล้วมันก็สมสัปความน้อมไปในทางที่จะให้จิตเปสระน้อมไปสู่การปล่อ ย, ยกงไม่จะเอาอะไรอะไอไความความเคืองรความอยาได้นู่นได้นี่นไม่องนั้นแหละเยวนนีนนี้มันไม่มีหรอกเนี่ย ถ้าว่าจิตของเรามันมันเห็นความจริงแล้วว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแหละจิตมันต้องน้อมเพืจะปล่อยเพื่อวางและอะไรโผล่มาก็ต้องปล่อยต้องวางแล้วเนี่ยนีเราสัมมาสัมปกติความที่จิตมันไม่อยากไปเอาเรื่องเอาราวขึ้นม า, มากุ่มลุมจิตใจอะ่ะเนี่ยมันตำหนิชอบมันคิด ช, ชอบมาคิดเป็นแล้วที่นี่คิดถูกและที่หนึ่งที่ท้ายทางของอให้กัจิตแล้วเนี่ยแต่วคนปฏิบัติเนี่ยมันจึงว่าโอยากให้จิตเนี่ยมันไม่ถูกอะนี่เราสัมมาสัมปกติมันไม่อยากเอาเรื่อองเเาาารรวะะไข้มมกุล ไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ของคนยืนหรือว่าอายากาพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือว่าความคิดเดียดเดียงความปยาออะไรไม่มีเท่านั้นมันจะเอาหมด่ะนี่คือมันอยากเป็นมิสระมันไม่อยากให้มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาลบปนใจให้ใจมันเป็นทุกข์อีกต่อไปเนี่ยดีๆไปํารวมวาจาเนี่ยมันจะเข้ามาหาการสำรวมวาจาการงานต้องชอบเยอะทําไนั้นไปทําให้ถูกต้องขึ้นมามันก็เล่นงานเราอีากอ่ะทำพูดก็ต้องถูกต้องเยอะไม่งั้นกลับมาเล่นงานเราหมดนี่มัดเอามันก็เลยมารวมอยู่ที่เรา ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจพวกเรารวมเข้ามาหมดนี่จะใครใช้ชีวิตใช้มรกยนรู้แต่เป็นทางดาเนินไปเนี่ยมันก็เพื่อออกจากกองทุกข์ละเพื่อมารู้อี้รสักสิทีนี้เวลาเวลาจ อ, อกจากทุกข์เนี่ยมั น, นมีทางอยู่เพราะนั้นจะไปคิดเอาไม่ได้จะไปศึกษามากๆจะไปสํานักนั้นสํานักนี้แต่ไม่เข้ามาให้จิตมาเห็นความจริงมันเป็นไปไม่ได้เพระพระุทธเจ้าบอกว่านี้คือทุกข์ต้องเข้ามาเห็นให้กําหนดรู้ต้องมากำหนรู้ด้วย กำหนดรู้แล้วมันปล่อยแล้วมันวางแล้วเห็นเห็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องใความอยากของเราดูประทานที่มันมีในจิตของเรามันเห็นแล้วมันรู้แล้วมันก็วางว่เออเหตทุกข์มันอยู่เข้ามามันไม่ใช่ของเรามันอยู่เข้างมันจริงเหมือนเขาลากตีม้จิ้ฟื้ออกไปเฮ้ยลากตีนไม้ไปเป็หญ้าไปไปเผาไปับเผาไปซีมันไม่ใช่ของเราเรามาประเภทเดียเห็นแค่เขาทำอะไรมันจะอาบน้ำอาบผ้ามันจะเอาของมาขายช่างเผาเรื่องของเขา่จิตของเราเนี่ยให้มันรู้ว่านี่ยทำมา มีอะไรจะมันเกิดขึ้นในขันอันนี้มันจะรู้จะเห็นมันจะมีอะไรโผล่พุ่ขึ้นมาขึ้นมืาในจิตของเราเราก็ดูอยู่เฉยๆได้มันก็ลึกเข้ามาลึกเข้ามาจนกระทั่งมีอะไรพวกวิญญาณอยู่กระตาะไเรืยกงของมัหมดแล้ววางเฉยเลยเนี่ยมันเข้าใจก็เเข้าใจตามมันเข้าใจของมันเองอ่ะโอ้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันมีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันรู้ขึ้นมามันก็วางไปหมดอ่ะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออจิตของเราเนี่ยมันเห็นนไหมมีคือถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยใช่มันเห็นทุกข์ละมีสื่ทุก กห้กำหนดรู้กําหนดรู้แล้วเนี่ยเหเด่นทุกนี้คือเหตุเด่นทุกนี้คือสมุทัยใช่หมล่ะล่ะก็คือไม่เอามันละเนี่ยมันก็ดับไปเนี่ยล่ะแล้วยนี้คือนิโรดนิโรดคือทุกบรรดาปตอนนี้ถ้ามันไมีทุกแสดงทุกบรรดาปไปแล้วนี้คือนิโรดทุกดับไปแล้วมีโรดที่มายว่าทุกดาปเนี่ยจะเล่นให้หยุว่าาให้แก่ก็คือให้เห็นมันให้ชัดเจนว่านี้มีไม่มีทุกแลทุกดัปแล้ว เรียนใยิ่ก็คือปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าราปฏิบัติให้มากเรีนยนก็เอาเอเอาให้เต็มที่แล้วกันแล้วกลับไปก็ทะเล า, ากันอนี่ยมีอะไรก็ทิ้งกันไปทะาะกันไปเล่นกันไปอย่างนี้มันไม่ใช่ต้องจะเรยนให้ยิ่งต้องปฏิบัติให้มากมีจริงมักต้องมาปฏิบัติกันเรามาก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยมีจิตใจมุ่งมั่นเหมือนพระพุทธเจ้าของเรา เราก็มีอาสาบุมุ่งมั่นบากบันอย่างนัไม่มีคำว่าทอดทิ้งเลยเน่ยตั้งแต่วันที่เราชมตำรวดจนถึงวันล่าสุดท้ายพระอง์ปุกจิตปลุกใจบลกลมสั่งสอนเพื่อให้สาวบุกของเราดำเนินตามเราจริงจังมุ่งมั่นบักบันเพื่อออกจากทุกข์มันในคนทุกขาบนี้ก็ต้องมีความหวังมาชาติต่อไปไม่มีทางบ้าเป็นไปไม่ได้ต้องมีมันต้องได้ในวันใดก็วันหนึ่งเอจนได้เนี่ยถ้าว่าเรามุ่งมั่นอย่างนี้แสดงว่า การมาของเราในค้ขามอ่ะโดยเฉพาะมสถานที่นงนี้เรารู้แล้วว่าทางของผู้จ้าเนี่ยที่เป็นคนเดินก็เพื่อทำรุ่งทำเริ่นเตทั้งกจทั้งใจสนุกสนานนี่เริ่มบรรทนกามาสุขางการบรรยกอันนี้เปของตามซาเป็นของชาวบ้านของผู้ดึชนเป็นของี่ปกอบด้วยทุกไม่เป็นทางาจะทุกนีนี่ผู้จ้าก็ให้เห็นโทษในการมาสู่ขางการุโยกอาจารย์เรามาทางบรยกฮัลมันต้น จะขึ้นทัพขนาดไหนแ่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ทางว่าต้องมาทาจิตให้เป็นกลางๆใหมันเป็นทางสายกลางเนอะไปจิดรูปแบบก็ไม่ได้หรือใครจะขึ้นทัพขนาดไหนก็ต้องดูงว่าเขาติดรูปแบบเนาะเขาขึาข้นทัพแจิของเขามันวางอามได้มหรือว่าว่ามีทางนี้เท่านั้นเอาอีกแล้วมีมีวิชา ท, ท, ที่เกิดอีกแล้วพวกวิชา ท, ที่นี่จบในโลเด้่ยเป็นควา์ดีช้าด้วยจบนโลกกับ็เในเชืกด้วยมันก็พาตกต่ำอยพราะความหลงผิด คิดว่าตรงนั้ น, น, นออกับตรงกางเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกจากทุกตรงนั้นเนี่ยม่ใช่ลูกแบบทางออกไม่ใช่ลูกแบบทางออกคือจิตที่มันรู้ความจริงมันวางใจเป็นกลางแล้วรู้ความจริงควาจริงแล้วปล่อยวางสภาพความตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงได้ออกจากทุกได้นี่พอนน้นพระพุเจ้านี่สรุปเลยว่าลงที่อริยสัจสี่เลยขณะที่พงษ์ เรื่องอะไรเรื่องสัว่อยู่อันนี้คือทุกให้กําหนดรู้นนกําหนดรู้แล้วเห็นสมุดไทยที่ไหนคทรพัฒนาจิตว่าเป็นพัฒนาร่างเนี่ยมันมีประทานอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนหลงว่ามีตัวเรามีของเรานี่แหละคือเหตุแห่งทุกทุกกระดับไปเพราะว่าเหตุแห่งทุกตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเหตแห่งทุกดับไปแล้วนิโรธก็ทุกกระดับไปด้วยเมื่อทุกกระดับคือนิโรธนิโรธะนิโรธะนี่หมายว่ามันดับไป ทำให้แยแย่แบบแล้วชัดเจนขึ้นในจิตแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราจะทำให้ทุกดับทํำยังไงต้องมากําหนดรู้ที่ทุกมีน้ำหนักขึ้นในจิตก็ตามมีขึ้นในใจก็ตามเป็ทุกข์อยู่ภายใน ท, ง, ใจทงจิตก็ตามต้องกําหนดรู้หมดเพราะฉะนั้นเราจะส่งจิตเราไปสายแสบไปไม่ล่ะเราจะมาบอกโอ้แย่แล้วเย่แล้วมันอะไรมันจะหายโอ้โหถ้ามันเจิดขึ้นเองก็ต้องดูจิตด้วยเหมายว่านี่ทุกทางจิตขึ้นหม่าอันแรกทุกทางกายต่อถูกขึ้นมาจิตแล้วจิตมันอดควแล้ว เราก็ต้องตามดู嘛นนี้ก็คือจิตไม่ใช่เราเหมือนกันเนี่ยตอนเราจะตไปวางกายเราไปยึดิตว่าจิตเป็นเราอยู่มโนโอนมันควนก็จะไปคล้อยตามมันอยู่เอาเราก็เสียต้ามัอีกละ่ะแสดงไม่ทันมันไม่รู้มันผมเจ้าสอนที้ทั้งลุก ท, ทั้งนามให้วางหมดเลยนะทั้งใจทั้งใจเลยเนี่ยจิตมนโนควนมันมต้องรู้สิ่งนี้เนี่ยมันเข้ามาหาจิตแล้วไอ้จิตหลงละก็ต้องมาดูมันนี้นกําหนดรู้นี่ทุกครั้งกำหนดรู้เนี่ยนี่คือทุกให้กําหนดรู้ต้องตามดูทุกครัยย้งจิตดรื่ง ทุกจังกายรู้แล้วทุกคัามคิด้วยรู้แล้วให้มันปล่อยวางได้เนี่ยปอวางเฉยได้ปล่อยวางได้เฉยมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหตเหตุทุกดับไปแล้วนีโหลดดับนิโหลดเกิดขึ้นแล้วมีโหลดแปลว่าทุกดับไปแล้วคือตัวนี้โดที่จริงก็อยู่ด้วยกันนั่นหละำรู้ทุกน่เอาเหตุเหตุทุกดับเกิดนิโหลดขึ้นมาก็คือว่าทุกมันดับไปเนี่ยคือตัวนี้โหดมาร์ก็คือการปฏิบัตต้องเราซึ่งกำลังดูอยู่นเจ็จอยนั่นแหก็ตัวมาร์มีกันนั่นแหละรวมเป็นมาร์ะ มัดมีกำลังก็ชัดเจนเนี่ยเรื่องัดในจิตในใจของเราเนี่ยแหานกำลังจิตมันปล่อยมันวางได้เป็นมักหมดเลยเนี่มัดเป็นกาเดินตนต้นไปจนกระทั่งมีกำลังมีกำลังจนกระทั่งเห็นชัดเจนสุดท้ายมักจริงๆเนี่ยคือผลของการปฏิบัตินะบรรลุมัดบรรลุผลเลยนะโดาปฏิบัติมัดจะเลาก็เดินไปเดินไปเดินไปสุดท้ายเป็นผลเลยฐาเราได้เนี่ยเป็นมัดอัลยมัดเลยที่นี่โสดาบันปฏิบัติ เนณยตอนนี้พูดถึงผลแล้วสถาปิารามีมัดมีเป็นพูดถึผ ล, ลหน้วทหามีมัดัตสมัดเป็นผลหมดเลยเก็เชื่อในจิตเลยเพาราะเรมัดมีเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งสุดท้ายทหารฆ่าเสร็จได้ตหารที่เลยได้เป็น ม, มัดดีในจิตเรียมถถัดขลุเอสเตรนจากูดทุชนเป็นชายาบุกคลได้พันธีเลยพระพุทธเจ้ามาประกาศจะทำมา น, นีที่นี่วันนี้เรามาที่นี่เราได้ฟังธรรมองยอาโดยตรงเลย หลักการเดียวกันนีปฏิบัติแบบเดียวกันนีอัญญาโกนัญญาฟังอัญญาสัจฉิกำหนดลงไปเลกําลังดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ข อ, อพระเจ้าอย่ญญาอธิบายแล้วสัจฉิจบปั๊บท่านจิตของท่า น, เ ห, น, น เ, เ, เห็นกันดีเลยแจ้งทับเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่ำดับไปเป็นธรรมดาหายว่าจิตที่มันเห็นความเกิดดับภายในจิตเนี่ยความรู้มันทะลุออกไปทะลุออกไ ป, ออกไปในธรรมชาติทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นหมายว่าอย่างนั้นในจิตของบางญาเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ พนัญญากณ์ัญญ็เห็นเห็นปั๊บอะไรเกิดขึ้นปั๊บเกิดระดับคนดเพราว่าเป็นวญญาณอยู่ในจิตบางสามารถความรู้แจ้งอันนี้ทลุออกไปถึงข้างนอกมาสรุปได้ทังทีเลยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แนละ้วต้องดับไปวีญญาณมันคายความดมั่นชุ่มั่นคายความลุ่มหลงก็ได้ขนาดนี้เลยเพอผู้เจ้ารับรองว่าพนัญญากรณ์ัญญารู้แล้วหนอวัตถุพนัญญาสิอัญญาสิวัตถุโกลนธรโยอัญญากรณ์ธัญญารู้แล้วหนอเนี่ย จากนั้นก็พวกพอมีพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วโอ้เทวดาที่ตั้งแต่เบื้องต้นนี่หละจตุมหาลาชิกาตั้งแต่นี้แหลพวกเทวดาซึ่งอยู่ตามสมทุทรปุ่มไม้ตามาตานะจงกระตั้งอาจาตุมหาลาชิกาโอนะ้ธรรมะญาติวงสแสดงเนี่ยเนี่ยธรรมจากนี่ไม่มีวันที่ใครจะ ปฏิวัติขึนได้แล้วเนี่ยต้องหมุนไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยสันเซินกันเสียงสนันบันไหวเลยอ่ะสุดที่จะบรรยายเลยนะก็ไปถึงชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงก็หึงขึ้นไปถึงยามายามาบุสิตาบุสิตาตะหึงขึ้นไปนิมมานนทีปลามิมิตาวสวรติไปนู่นน่ะถึงพมลโลก น, นู่นทุกชั้นเลยทีนี้แต่เรื่อเรื่องลัง่นวัฒน์ธรรมเนี่ยได้ถูกเปิดเผยขึ้นในโลกแล้วเนี่ย จะเป็นทางออกจากทุกของชาวโลกทั้งหลายที่มีความสตาเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าสนใจฟังสัจธรรมของพราสนใจฟังพระศัจธรรมของพราแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนจิตเข้ามาเห็นแล้วก้องทัศน์แนวและสีภายในจิตของตัวเองดับทุกภายในจิตใจได้นี่แหละคือธรรมะ ท, ที่แท้จริงต้องเข้ามาอยู่ในจิตของเราทั้งหมดปฏิบัติ เพื่อห้กิตของเราออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรามายัางสถานที่นี้ให้เราสำรวนจิตใจอะไรเกิดขึ้นก็ตามต่อไปนี้ให้เราหงุนหงิดมาเป็นอริยศัจสี่นะให้มันเป็นวางตัววางตนจริงๆดูสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ดูงานก็คือจิตเราต้องเป็นกลางกางวางเฉยกับมันได้เป็นเครื่องพิสูจน์เราทดสอบกันเลยว่าทำได้จริงหรือไม่จริง เราก็ไม่ได้อยู่อีกนานจนกระทั่งทั้งวันทั้งคืนถึงเวลาสมควรเราก็ต้องไปแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องทดสอบจิตเนี่ยเราวางใจเนทางได้ไหมทําอย่างที่พระเจ้าสอนได้ไหมร่ า, างกายมันก็เหมือนแต่ว่ามันสัต่ว่ากายเหมือนไม่ใช่ของเราอ่ะเหมือนอยู่ของมันอ่ะ ลองให้กาหนดรู้เลยมันคืทุกข์กับทุกกาหนดนี้คือทุกข์ให้กําหนดรู้เราก็กําหนดรู้อยู่เนี่ยรู้แล้วรู้แล้วก็คือจิตระวางได้โอ้มันไม่ใช่ของเหลามันอยู่ข้างนั้นถ้าใครเป็นอย่างนี้มาตรงเลยนะแล้วเนี่ยถึงทุกข์กระดับไปด้วยเนี่ยคืออยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างีกลัวจะกลัวปวดอยากให้มันหายดับไปหมดเลยเฉยๆเลยกลัวมันร้อนกลัวมันแสบกลัวมันผิวไม่สวยหลืมไปหมดทิ้งหมดมันจะลืมไปทิ้งหมดเฉยเลย เดียเกิดฉันเป็นเกิดจะเอาธรรมของวิญญาณมาไว้จิใจเรานีอาะสัตทีเกินเลยอย่างเนี้ยทันทีเลยเดี๋ยวนี้เลยขนานี้เลย่มีโลดเกิดขึ้ น, นทันทีทุกไม่มีในใจมีที่มีโลดแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องตัติสมควรจะทำเหมนว่าให้ธรรมะย่อยๆทีละเลทีล น, อน้อยจะสอดคล้องกับธรรมะของจิตเพ่ให้จิตเราได้ฝุดปล่อยวางไปเรื่อยๆมีสอดคล้องกับพนิพพานเลยเพราะนิพพานจริงๆเนี่ยวางยัง่างจิตวางจิตคือจิตไม่มี เรีวางสุดท้ายขนาดนั้นเลยนะมันวางได้ขนาดนั้นเลยดนั้นเราก็ฝึกบนสอดคล้องกับธรรมะใหญ่ๆธรรมะของจริงคือนิพพานที่อ อ, อกจากทุกข์ได้จรนี่ที่พระเจ้าบอกว่าให้มารู้ในทุกแล้วก็เหแห่งทุกแล้วความดับไปของทุกหรือทุกดับ หรือกองมัคอาเยมมามัรือนิโรธาคานิมีปฏิปทาบริงๆจงก็เรียนว่านิโรธคามีมีปฏิป ท, ทาเพราะทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ที่เราตามปฏบัติของเรานี้แหละีพราะนั้นประมวลพระาจนทั้งหมดข้อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงที่นี่ก็คือที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้จริงๆเลย เราก็จะได้มั่นใจว่าการปฏิบัติของเรานี้ตป็ทางแล้วนะถูกทางแล้วนะได้ที่สุดแล้วด้วยการนำเอาโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงทํามครั้งแรกเลยแล้วก็มีพระญาตบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกอย่างเจดีที่เรามานี่ตามประวัติก็คือว่าสร้างเพื่อเป็นอนุนสอนแก่อารยสาวุปโภคและไม้พิัญญาคนธีรมะได้ฟังธรรม ที่เขาทรงสั่งาำครั้งแรกแล้วก็อายสาวปรโปโกตเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาก็สร้างทมเมฆัสถุขึ้นมาเป็นอนุสรนเตือนใจของเราว่าจากมนุษย์ธรรมดานี่แหละถ้าหากว่าประพฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกให้ตรงแล้วแล้วก็จิตก็จะเป็นกลางทางสายกลาง เรียกว่าอยญามักเดียวทางสายกลางเพื่อออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อเพิ่มทุกข์เพื่อออกจากทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เพื่มตัวตนว่าเอ้ยฉันมีปฏิบัติกามนะฉันเป็นคนดีนะเ้ยแกดีดีนะชู้ฉันไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเป็กใจเหล่านี้มันเป็นกลางมันไม่มีทุกข์ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเข้ามาอยู่ในทุกข์แล้วก็อยู่กับโลกไปเถอะเพราะว่าเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทุกข์ทุกข์ก็น้อยน่อยละ หออย่างน้อยก็ถ้ามัน ถ, ถูกทางแล้วทุกก็ต้องค่อยๆลดลงไปเอาต่อไปจะให้สำรวมอีกสิบนาทีเท่านั้นอ่ะสิบนาทีนี้จะไม่พูดแล้วให้เราไดนดูตัวเองตามลําพังแต่ใครดูอิดถ้ารู้ว่ามันขาไปเป็นหมดแล้วตายก็ไม่เอาวิศนาไม่เอาเรื่องเราข้างนอกไม่เอ า, า, า, เอ า, า, าแล้วเจอะขนาดชิเจาะเข้าไปเลยไม้จิตมันยขยับขยื่นไปทางไหนเลยให้เห็นเลย เอาจนตัวดูกับสิ่งถูกดูเป็นอันเดียวกันให้ได้เลยมันคือตัวเดียวกันเนี่แหละอันที่จริงอเอาให้มันเป็นตัวเดียวกันเลยจนไม่มีจิตเลยเอาอย่างนั้นเลยมันไม่มีอะไรเลยมีสุดท้ายเลยบล็อกบล็อกทุกลับเข้า ท้ายนะ่ะสุกเข้ามาเลยพระพุทธเจ้าสอนระยะสั้นนี้คือทุกให้ําหนดรู้เรารู้ดูได้ อ, อย่างดูแล้วก็ต้องดูด้วยจิตใจที่เห็นกลาวเหมือนเราไปดูอยู่เฉยเราไม่ร่วมแสดงเหมว่าร่างกายมันจะร้อนมันจะเจ็บมันจะปวดถ้าใครเห็นได้ว่าโอ้นี่มันบแสดงว่าร่างกายเจ็บร่างกายปวดเทศนาก็แสดว่าเวทนา มันจะนึกจะคิดขึ้นมาก็เป็นอาการของจิตตักแต่วันนึกคิกตรุงแต่งไปเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาได้จริงใจเป็นฟางได้จริงนี่หละคือเริ่มปล่อยวางขันห้าดัาวางเฉยจะขันห้าดัาและถ้าเาว่าเราจะมันเลื่อนไปเลืเล่อนไปอวิชสีนี้<ม>ก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็หมายก็ว่าอวิชสีก็คือมัด น, นั่นแหละมันจะเริญมมัดแล้วมันจะเกิดอวิชสีขึ้นมาเป็นผลของการอธิบาย สภาวะของมรรคเนี่เข้าม า, าจิตสุดท้ายมันก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งทุกอย่างอยู่ในจิตหมดแล้วก็ประหารสิเลดได้เรียกว่าบรลุอเรสสีก็ได้เรียกว่าบาลุมมรรคก็ได้มันมาเป็นอันเดียวกันตรงนี้ตรงจิดของแต่ละคนเนี่แที่มันสามารถเห็นปัจรรจัยทั้งความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่เขา้ามาตามธรรมชาติเข้ามันหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปหรือว่ามันมีเหปัจจัยเกิดขึ้นเราก็จิตของเรายัางเป็นผู้ดูที่เจออยู่ หรอแม้แต่ท่านจิตของเราก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นรราตรู้รู้อยู่เฉยแม้แต่รู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของธรราตรู้บางทีเข้าไปยึดจุดหนึ่งแล้วเป็นธรรมชาติหมดเลยรู้ประสาทแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรเลยจึงไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอย่างแท้จริงเข้าถึงสภาวะธรรมได้อย่างแท้จริงอันนี้มันเป็นทางดําเนินไปขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาต่อไปนี้ให้เราสําสรวมจิตใจดู ดูพิธีกรรมสุด ท, ท้ายสรุปผลของการปฏิบัติของเราในวันนี้นะที่เราเดินทางมาเป็นวันที่สองแล้วแล้วก็มาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาก็คแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแสดงธรงรมที่พระองค์ทร ง, งตัสรู้ความจริงที่พระองค์แจ้งพักในพระภัยของพระองค์แล้วเอามาประกาศที่นี่ตรงนี้ตรงที่เราเนี่ยบริเวณที่เราบังภาวนากันอย่นี้แล้วเราก็ได้ ฟังแล้วก็ได้ประพฤติธปฏิบัติจนก่อเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วสมควรแก่การที่เราได้มีบุญวาสนาบารามีได้มาเจนกระทั่งถึงสถานที่ที่พระองค์ทร ง, สงแสดงทำครั้งแรกกิงอันนี้เราก็ต้องพอใจในคุญบุญสนของเราที่เคยทำมาจนกระทังมีหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็ให้เราไม่ใช่พอใจอยู่แค่นี้ให้พอใจว่าศาสดาของเรานั้นน่ะพระองค์ได้ค้นไปจากุกแล้วหนอแล้วเราหล่บผู้เป็นสาวกนนี่ล่ะจะเอาอยัางไงต่อไปล่ะแล้วยังจะบนเพียนอยู่ในวัฏสงสารต่อไปอีกเหรอหรือว่ายัางไงก็ได้ขอว่าเราจะต้องมุ่งมั่นต่อไปขอเดินตามรอยพระบาทของพระองค์จนกว่า จะถึงกิ่งไม้หลายทางเจนกว่าจะพ้นจากลุกเึ้นเดียวกันถ้าใครตั้งปณิธานอย่างนี้ก็สมควรหลักสมควรว่าเออมายังสถามจริงจริงแล้วหล่ะฟังธรรมจริงๆแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วก็ให้ได้ตั้งปัจจัยจริงจริงจังๆบ้างหรือว่าตั้งปณิธานนี่มันเน่วแน่ว่าเราเนี่ยจะพยายามตั้งหัตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์เดิตามรอยเยื่องยุคคนบาปแห่งพระศาสดานี้หลัก จนถึงจุดมหมายปลายทางก็คือว่าจนกระทั่งค้นจักทุกเนื้อสัตวสงสารบรรลุถึงพรรมทนานอันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วเข้าถึงแล้วให้ตั้งใจเพื่อที่ออกจากทุกนี้อันนี้แหละเป็นบา ร, รมีเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตังต้งความปรารถนามาจากนั้นก็รวบรวมกําลังพลทั้งหมดที่เราทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนถึงขณะ น, นี้เลย เหมือนการรวมข้าอาไว้พิจิตของเราเตรียมที่จะอุทิศบุญแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงค์จงดลบันดาบุญของขาพระเจ้าเข้ารูปดาบีจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเอวดาที่รักษาและนายเวรของขาพระเจ้า ให้กจ the in ีาติโอวาดาที่รักษาและนายเรียนของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานคู่น้องญาติสนิทุมีพระคุณของข้าพเจ้าใหจริมยาทั้งหลายที่ศีลกติกีในสถานที่นี้เริญยาทั้งหลายที่กในบ้านรในที่ทางานร้านค้าในบริษัทในโรงงานในโรงแรมลนในไร่ในนาในสวนในที่ดินในสมบัติสถานทุกทีทุกอันของขาพเจ้า ให้แก่ดวงวิญญาทั้งหลายที่จำลังต้องการทุนจากขามาเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามในสถานที่อื่นใดก็ตามขอท่านทั้งหลายจงจินดีรับเอาบุญของขามเจ้าเถิดรวมทั้งดวงวิญาณทั้งหลายที่อยากไปช่้ยเหลือเกือ้อกูลประเทศไทยประเทศชาติเมืองของัวกขามเจ้าให้มารับบุญเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยหาทางออกให้แก่ประเทศชาติเมือของเรา ขอท่านท้งหลายจมที่รับอบุญของขาพเจ้าโดเกิดเมื่อรับอบุนแล้วต้องการสิ่งใดก็สมความปรารถนาเท่านัตของบุญที่ขาพเจ้าได้ที่หายยาวนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วตกแตรักษาคุ้มรองดูแลที่เดือเดือดขาเจ้าทำสิ่งใคอยมีแต่ความราบรื่มีแตความสำเร็จมีแตความเจริญรู้่งเรือให้ยิ่งยืนไปเรื่อยๆข้าพเจ้าจะมัดทำบุญแล้วก็อุทิศบุญตรางๆไปได้ตามความรู้สึกว่าเป็นแรงให้บุญนับแลวเราอยากย้าไปที่หนย้าได้